แล้วก็มันแค่นั้นไม่พอแล้วตัวเองก็ต้องไหว้ข้ามน้ําคือตันหาของตัวเองอยู่ตลอดไอ้ห่วงน้ําก็คือตันหาใช่ไหมท่านจะต้องไหว้ข้ามห่วงแห่งตันหาของตัวเองที่มันเพราะท่านก็คนมีกิเลสถ้าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วตั้งความปรารถนาก็อ ย, อยังชั่วท่านยังมีกิเลสท่านยังมีราคะเหมือนห่วงน้ําเหมือนคนอื่นนี่แหละแล้วต้องแวกต้องไหว้ข้ามกามโมคะพิทโขคะ พรโวคอวิโชค่าไหว้ข้ามห่วงโโหค่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะมันก็เลยโวไหว่อยู่นั่นแหละไปเกิดที่ไหนก็ต้องทวนกระแสะของปัญหาอยู่ตลอดและอันสุดท้ายเรียกว่ากอไัยกอไัยก็คือแวกไหายดงของมิจฉาทิฐิอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าโดยปกติแล้วโลกทั้งหลายไม่ใช่เป็นโลกที่มีสัมมาทิฐิเป็นโลกที่เต็มไปด้วยมิจฉาทิฐิมันจะต้องมีความคิดที่ทวนกระแสมิจฉาทิฐิ เหมือนกับแหวกกอัยไผ่ตลอดเวลากอภัยเนี่ยแต่ถ้าใครเคยทางป่านี่รู้ดีเลยเลทางยากยากนะนีตัดหัวตัดตัดที่โคนเสร็จแล้วไม่ใช่มันมันมันถูกเกี่ยวไว้ตั้งรู้ก็กค่อยตัดออกทีละชิน้นทีละชิน้นทีละชิน้นทีละชิน้นโอ้ยกว่าจะเสร็จได้นี่ยมันยากมิจฉาทิฐิก็เหมือนกันในดงแห่งมิจฉาทิฐิไม่ใช่จะลุยกันง่ายๆข้ามกันง่ายๆฝ่ามันง่ายๆสมมุติถ้าถามว่า <c oughs> ถ้าพระไตรปิฎกเป็นสัมมาทิฏฐิถามว่าพระไตรปิฎกกระจายแค่ไหนในโลกนี้หรือก็น้อยมากเพราพวกเราก็ถือว่าผมมาอะไรนะแหวกแกันหน้าดูเลยนะก็ขอให้มันแหวกสําเร็จเถอนะเนาะถ้าแหวกดงแห่งมิจฉาทิฏฐิได้สําเร็จเถอะเนี่ยนะ <c oughs> พันต้องมีองค์ประชุมทั้งเท่าไหร่เท่าไหร่หาองค์ตอนแรกก่อนต้องให้มีองค์ประชุม แ ป, ประการแปดประการทั่วในครั้งหนึ่งต้องเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธเจ้านั้นจะบรรลุด้วยเพศที่เป็นมนุษย์เท่านั้นสอง<ม>ต้องเป็นผู้ชายเพราะผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ชาย3ต้องมีเหตุต้องมีเหตุแล้วก็มีอุปนิสัยแห่งอรหรัตตผล3แล้วข้อสต้องเห็นพระพุทธเจ้า5ต้องเป็นนักบวชเพราะว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจะบรรลุด้วยเพศนักบวชแล้วก็ต้องมีคุณธรรม คุณธรรมอันนี้เนี่ยถือว่าต้นทุนนะต้นทุนแห่งการลงทุนเลยแหละถ้าไม่มีคุณธรรมคืออภิญญาหสมาบัติ8ปดค้นคว้าหาบารมีเองไม่ได้เพราะบารมีเหล่านี้ต้องคิดเองคิดเองนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าบอกเออเธอต้องไปให้ทานเธอต้องไปรักษาศีลอบรมเนี่ยค ม, มัเจริญปัญญาภาคเพียรด้วยวิรยิยะไม่มีใครบอกคิดเองอ น, นะเพราะฉะนั้นจะต้องมีฐานคืออภิญญาห้าและ สมาบัตแปจะต้องมีพื้นฐานรละลึกชาติได้รู้อนาคตจะต้องมีองค์ประกอบเยอะจึงจะค้นคว้ารู้ว่าบารมีสิบนี้เป็นเครื่องบ่มโพธิยานเป็นเครื่องที่ทำให้ตรัสรู้แล้วอธิการเนี่ยนะการสละชีวิตเป็นพุทธบูชาได้ก็แสดงว่าสละชีวิตเพื่อโพธิยานได้ทุ่มเทเพื่อโพธิยานเสมอด้วยชีวิตแล้วก็มีฉันทะความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่าง แรงกล้ามีจิตใจฝักใฝ่ดีใจที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนว่าจะสำเร็จพรุ่งนี้เหมือนจะสำเร็จพรุ่งนี้เตรียมการใหญ่เลยนะลักษณะนั้นพระโพธิสัตว์ผู้มียพินิหารได้สำเร็จแล้วอย่างนี้หมายว่าหาองค์ประชุมครบ8ประการแล้วตั้งความปรารถนาย่อมไม่ถึงอาภัพฐานะ18เรียกว่าไม่เท่าถึงฐานะแห่งความอาภาัพสิปอย่างที่เราสวดๆกันสิแปดอย่างมีอะไรบ้าง บอกว่าจริงอยู่พระโพธิสัตว์นั้นจําเดิมแต่นั้นท่านจะไม่เป็นคนบอดแต่กําเนิดแต่แก่แล้วตาบอดนี่ถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่บอดมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่ไม่หนวกมาแต่กําเนิดไม่บ้ามาแต่ไม่เป็นคนบ้าไม่เป็นคนใบ้ไม่เป็นคนแคร์ไม่เกิดในชนชาติมีลักขะไม่ใช่เกิดได้ป่าเผ่าป่าเถือนเป็นต้นเนี่ยไม่เกิดในท้องของนางถาสีจะไม่มีแม่เป็นทาต จะไม่เป็นคนนิยตะมิจฉาทิฐิพวกมิจฉาทิฐิค่อนข้างถาวร น, นะนะนิยตาแปลว่าแน่นอนมิจฉาทิฐิที่แน่นอนถาวรแก้ไขา ย, ยากเช่นอะเฮตุกะทิฐิอกิริยะทิฐิพวกนี้ปฏิสพวกนี้เป็นมิจฉาทิฐิพวกนี้แก้ยากแล้วก็ไม่เป็นคนกลับเพศหรือเพศกลับเนี่ยนะมันก็ว่าจะไม่กลับไปเป็นหญิงเป็นต้นเนี่ยไม่มีไม่ทำมานันตริกรรม5อย่าง เกิดมาทุกชาติจะไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระ อ, อรหันต์ทำสังฆเพศแล้วก็จะไม่เป็นคนโรคเรื้อนอัตภาพสุดท้ายจะไม่เวียนมาในกําเนิดเดรชานชาติสุดท้ายต้องเป็นมนุษย์อยู่แล้วอะเนาะถ้าเป็นมนุษย์ถ้าเป็นเดรชานก็ไม่มีอัตภาพใหญ่กว่าช้างแล้วก็ไม่เกิดเป็นขุ ป, ปิปาสิกเปรตนิชามะตันเฮกะเปรตไม่จําเกิดในพวกกาลันชิกาศูนย์ สกลุ่มนี้ก็คือพวกเปรตนั่นแหละพวกอสุรกายที่อดอยากหิวโหยพวกนี้ท่านจะไม่เป็นท่านจะไม่เกิดมาเป็นพวกไอ้อดอยากหิวโหยประเภทเปรตเหล่านี้เพราะอะไรเพราะท่านให้ทานเยอะพันท่านจะไม่ไม่ไปลักษณะเกิดในชาติกําเนิดที่อดอยากแบบนี้หรอกถ้าตกนรกก็ไม่ถึงอเวจีเกือบๆ เ, เช่นโลหะปุมพีบ้างกระทะทองแดงบ้างอะไรมีอยู่นะแต่ว่าไอ้ที่ไปถึงอเวจีนี่ไม่ถึง ไม่เกิดในโลกัตาตานรกเพราะว่าไม่เป็นนิยตมิชาทิฏฐิไม่ทํากรรมหนักนะแล้วก็ไม่เป็นมานในสวรรค์ชั้นกามาวจรไม่เกิดเป็นอสัญญาอสัญญีภพคืออรูปปรมในรูปาวจรขณะเดียวกันก็ไม่เกิดในภพสุดทาวาสไม่เกิดในอันติมะภพนะอันติมะภพคือภพสุดท้ายที่จะได้เป็นพธาตุหันเนี่ยนะโดย ท, ทั่วไปในระหว่างนี้จะไม่มีการบรรลุ ก, ก่อนแน่นอน แล้วก็ไม่ก้าวล่วงไปสู่จักรวาลอื่นเราวนอยู่ในจักรวาลเดียวนี่แหละไม่ไปจักรวาลอื่นออกมาอนอันนี้คือเครื่องรับรองหรืออะไรนะไม่เข้าสู่ฐานะแห่งความอาภัพ18อย่างเพราะถ้าไปอาภัพ18อย่างเนี่ยนะใน18อย่างยากที่จะทําบุญถ้าถ้ามีอาภัพข้อใดข้อหนึ่งในนี้นะจะทําบุญได้ยังไงจะสร้างบารมีได้ยังไงยากเนี่ยนะ และที่สําคัญท่านต้องมีพุทธภูมิเรียกว่าภูมิแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่4ประการนเนี่ยพุทธภูมิ ค, ค, มคือภูมิแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าคือฐานรองรับแห่งพุทธคุณเนี่ยนะอีก4ประการสประการคืออะไรหนึ่งอุตสาหะสองอุมมังคะสอวัธฐานสี่หิตจริยาพระโพธิสัตว์พูดถึงพร้อมด้วยพุทธภูมิเหล่านั้นเนี่ยนะสประการข้อแรกอุตสาหะก็คือความเพียรต้องมีความเพียรกล้า จะเป็นคนที่เพียรอยู่เสมอไม่ทิ้งความเพียรอย่างที่สองอุมมังคะคือฉลาดนนะก็คือมีปัญญามากสาอธิษฐาอธิษฐานเรียกว่าอาวัตถานะแปลว่าตั้งมั่นอยู่เสมอเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในการเจริญกุศลนะสุดท้ายหิตะเจริยาก็คือเมตตาภาวนากับบางแห่งก็บอกเมตตกับกรุณาชื่อว่าหิตากิริยาทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์อื่น แล้วก็มุ่งที่จะช่วยปลดเปลื่องสัตว์อื่นให้พ้นจากความทุกข์นนะพุทธภูมิ4ประการเนี่ถือว่าเป็นพื้นฐานรองรับพุทธคุณของท่านนนะรองรับในการสร้างบารมีแล้วก็ยังมีอัธยาศัยประจําตัวอีก6ประการมีอัธยาศัยโดยปกติ6อย่างหกอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งเนคคำมัธยาศัยนนะอัธยาศัยออกจากตามอย่างเดียว สวิเวกัตถยาศัยไม่ชอบพวกมากไม่ชอบคลุกคลีนะรังเกียจการคลุกคลีแล้วก็สอโลพัตยาใัยมี อ, ธมอัธยาใัยในการกำจัดความโลภเซอะโทสัตยาใัยมีอัธยาใัยในการกำจัดความโกรธนะไม่โลภไม่ใช่ว่าเฉยเเนี่ยนะหมายถึงว่ามีอัธยาศัยมุ่งกำจัดความโลภมุ่งกำจัดความโกรธและมีอัธยาศัยมุ่งกำจัดความ หลงก็คือมีอัธยาศัยเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลามีอัธยาศัยเพิ่มพูนปัญญา 6. นิสระัตธยาศัยอัธยาศัยสลัดออกจากวัตฏะโดยส่วนเดียวก็อย่างที่ว่านิสรณนัตธยาศัยกับเนคข ม, มัทยาศัยก็คือมองเห็นวัตฏะในภูมิสาเหมือนเรือนจําอยากจะออกเช้าออกเย็นนั่นแหละวระมาณนั้นอันนี้อัธยาศัยทั้ง6เป็นไปเพื่อ บ, บ่มโพธิญาณ พุทธภูมิ4ีอัธยาศัย6เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณพระโพธิสัตว์ทั้งหลายประกอบด้วยอัธยาศัยเช่นผู้มีเนคข ม, มัติัธยาศัยเพราะมีปกติเห็นโทษในกามว่ากามทั้งหลายมีความอร่อยน้อยมีทุกข์มากเป็นผู้มีอัธยาศัยเพื่อวิเวกเพราะมีปกติเห็นโทษของการคลุกคลีเนี่ยนะถ้ามีการคลุกคลีเมื่อไหรล่ละสำนวนนะถ้ามีการสังสรรค์เมื่อไหร่ก็บาปตามบานเลย นะเจอหน้าอะไรนะเข้าพวกเมื่อไหร่ก็เป็นได้บาปแล้วว่าณนั้นโดยมากที่อยู่คนเดียวงิ่มๆจริงไม่ค่อยทำบาปนะมีพวกมีอะไรเดี๋ยวเอาละเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหลายก็จะเข้ามาปัญหาสารพัดเข้ามาเนี่ยนะมีโทษมากจริงแล้วก็มีอัธยาศัยเพื่อกําจัดความโลภเพราะมีปกติเห็นโทษในโลภะอโลภะัธยาศัยเนี่ยนะเพราะมีปกติเห็นโทษของโลภะก็เลยปฏิบัติเพื่อกําจัดโลภะ มีอโทสัทธยาสายัยมุ่งกำจัดความโกรธเพราะมีปกติเห็นโทษในโทสะมีอัทธยาสายเพื่อความไม่หลงโมหะคือมีอัทธยาสายกำจัดความหลงเพราะมีปกติเห็นโทษในโมหะมีอัทธยาสายที่เรียกว่า น, นิสณัทาสายัยเพราะมีปกติเห็นโทษในภพทั้งปวงอันนี้เป็นอัทธยาสายโดยพื้นฐานของท่านสุเมธบัณฑิต อัธยาศัยนี้สําคัญนะอัธยาศัยอะไรนะต้องเห็นโทษของอะไรเห็นโทษของการเห็นโทษของการคลุกคลีเห็นโทษของความโลภเห็นโทษของความโกรธเห็นโทษของความหลงเห็นโทษของวัตถะคนที่จะเครื่องบ่มโพธิญาเนี่ยจะต้องมีอัธยาศัย6แต่ถ้าย่อเรียบเรียงตามจริยาปิฎกก็เห็นชัดนะอัตกถาจริยาปิฎกว่าหนึ่งท่านมีเครื่องบ่มโพธิญาเนี่ยนับตั้งแต่หมวดหนึ่งจนถึงหมวด10หมวด30ด้วยซ้ําไป มวลหนึ่งคืออะไรหนึ่งคือกรุณาเนี่ยนะท่านเป็นผู้มีอยู่ด้วยกรุณาเครื่องบ่มโพธิญาณอันหนึ่งของท่านที่ที่อันหนึ่งเลยนะจริงๆอะ่ะเป็นตัวที่ที่ทําให้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็คือกรุณาแบ่งเป็นทำรรสองอ่ะนะถ้าแบ่งเป็นสองก็คือบุญกับญาณนะเรียกว่าบุญยะญาณสัมภาระอ่ะนะเป็นผู้ที่ทําบุญมากมองทุกอย่างเป็นบุญได้หมดถ้าไม่ได้บุญก็ได้ญาณน่ยได้สองอย่างนี่แหละ เป็นผู้ที่สแสวงหาบุญกับสแสวงหาปัญญาสั่งสมบุญและสั่งสมปัญญาพันทุกอย่างท่านต้องได้บุญหรือได้ปัญญาได้ญาณนะได้ความรู้ได้ความเข้าใจหมวด3คือท่านปฏิบัติอยู่ในสุตรจริต3นะปฏิบัติสุตรจริต3เพื่อกําจัดทุดจริต3หมวด4คือท่านมีพุทธภูมิ4กับมีอธิฐานธรรม4นะพุทธภูมิ4อธิฐานธรรม4หมวด5 ท่านบ่มอินทรีย์5อยู่เสมอบ่มศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญามวด6คือท่านมีอัธยาศัย6นะอโลพัธยาสายอะโทสัธยาสัยอะโมหัธยาสัยเนี่ยขมัตยาศัยวิเวกัตยาสัยและนิสรณัธยาสัยมีอัธยาศัย6แล้วก็มีปฏิญญาอีกเประการเป็นพื้นฐาน เราตรัสร uh, ู้แล้วจะให้ผ um ู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราโล่งใจแล้วจะให้ผู้อื่นโล่งใจด้วยเราฝึกตนแล้วจะฝึกผู้อื่นด้วยเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราปรินิพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วยอันนี้เรียกว่าปฏิญญาเจ็แล้วก็อีกอันหนึ่งต่อไปคือมีมหาปริสวิตตกแประการเป็นพื้นฐานท่านเห็นเลยว่าคุณธรรมเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า เป็นธรรมของผู้มักน้อยเป็นธรรมของผู้สันโดษเป็นธรรมของผู้ไม่คลุกคลีเป็นธรรมของผู้ปรารบความเพียนผู้มีสติตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นเป็นธรรมของผู้มีปัญญาเป็นธรรมของผู้ยินดีในพระนิพพานอันนั้เป็นผู้ที่แสวงหาพระนิพพานและท่านยังมีธรรมเป็นโยนิโสเป็นมูลอีกเก้าโยนิโสเป็นเหตุให้เกิดปราโมทปราโมททาให้เกิดปีติปีติทําให้เกิดปัสัตทิปัสสัตทิทำให้เกิด ศกศกทําให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดยะถาภูตญาณทัศน์นิพพิธาและวิราคะ<ม>แล้วก็ยังมีทำหมด10อีกก็คือบารมีสิเนี่ยนะเพราะท่านมีอัจฉริยะใในบารมีสิบอัจฉริยะใในทานศีลคัมภีรปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาน<ม>ี่ท่านยังมีบุญญกิริยาวัตถุอีก10ประการเนี่ยนะปฏิบัติในบุญญกิริยาวัตถุ10ทานศีล ภาวนาอปัจยนาไมอปจยไมยว ย, ยาวจม า, ามัยปฏิทานไมปัตตานุโมทนาไมธรรมเทศนามัยธรรมะสวัณไมัยแล้วก็สุดท้ายที่ถูกชุกกรรมนั่นเองแล้วก็ยังมีบารมีเหล่านี้ม า, าแบ่งเป็น30เคิบเรียกว่าบารมี10บอุป ป, ปารมีสิบแล้วก็ปรมัทธบารมีสิบพื้นฐานมหาบริจาคอีกหประการนั่นเะอทั้งหมดเหล่านั้นเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณตลอดระยะเวลา สี่อสงไขยอันนี้ก็เป็นหัวข้อแต่ว่าลงในรายละเอียดแล้วไม่มีจบมีสิ้นแม้กระทั่งข้อความที่มีในจริยาปิดกมีในชาดกเรื่องที่ยกมาเล่าให้ฟังก็เหมือนกับน้ำแก้วเดียวในห้วงน้ําทะเลว่างั้นนะเอามาเล่าให้ฟังแค่น้ําแก้วเดียวในในบรรดา น, น้ําทะเลทั้งหมดเล่าให้ฟังแค่ส่วนน้อยนิดหน่อยเท่านั้นแหละเนี่ยนะที่ไม่เล่ามากกว่า มันก็สังสมไปตลอดสี่อสงไขยแสนกนลับนั่นแหละจนได้เป็นชาติสุดท้ายเป็นชาติมนุษย์เป็นพระเวสสันดรเกิดเป็นเสตุเกตเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธะกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นอาจารย์ของเรา อ, อาจารย์ของเรานี่ไม่ใช่ท่านเรียนธรรมดานะกว่าจะได้เป็นอาจารย์เราเนี่ยนะขนาดนั้นเราก็ยังหันบ่ายพักอะไรนะแปรพักเรื่อยหันหน้าเง้ยหน้าดูคนอื่นทั่วไปหมดเลย ก็ยังไงยังไงก็จะไนะได้อาจารย์ที่ท่านอุตสา์ร่ำเรียนมาตั้งน้อนตั้งเสียสงไขก็จะได้จบขนาดนี้นะไม่เชื่อท่านไม่รู้จะไปเชื่อใคร